2> BOOK 2 9เก9สิเก้าคคำสแสดงความเป็นเจ้าของนีกก่คแมวของแฟนดิฉันวัตชินะกาลฟรนดอนเนกสุนัขของแฟนดิฉัน ของเล่นของลูกดิฉัน私の の, 私の子たちちおもちゃนี่คือเสื้อคลุมของเพื่อนร่วมงานของดิฉันこれは私のの同僚のコートですนั่นคือรถของเพื่อนร่วมงานของดิฉันこれは私のの同僚の車です นัンンン่นคือผลงานของเพื่อนร่วมงานของดิฉันกระดุมของเสื้อหายไปวายชัทส์โน่โบตันก้าทกุญแจโรงรถหายไปแชกุโน่กากีก้านักคอมพิวเตอร์ของหัวหน้าเสีย ลูกชายของฉัน เมืองหลวงของสวิตเซอร์แลนด์ชื่ออะไรสวิสโนชโตะดูโสหนังสือชื่ออะไรโซโのะฮอนโนไดเมัเดลูกๆของเพื่อนบ้านชื่ออะไรโอตนาลิซาんโนโกดโมวัเโรงเรียนของเด็กๆปิดเทอมเมื่อไร 子どもたちの学校の休みはいつですか。くんもーはきいもん～きいもん。いしゃのしんりょうじかんはいつですか。ウェラたんかんはぴぴたぱんはあらい。びじゅつかんのかいかんじかんはいつですか。